นิราลโยปราศจากที่อยู่หาอาไลมิได้มิได้ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจอนเจ้ามิได้อาไลด้วยที่อยู่พ้นจากสันทวรรารใคร่ท่านผู้ใดดุจวายโยฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งวายโยคำรบห้ายุติด้วยพุทธดีกา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 นี้เป็นความเห็นของนักประหลาดทั้งหลายดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งบรรพศห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาชเฉลิมประาดองห้าแห่งบรรพศนั้นอย่างไรพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่า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 จะได้ระคนคลุกคลีด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหาไม่ได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงกระด้างไม่พึงระคนคลุกคลีด้วยบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหุดบรรพศฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งบรรพ์คำรบสองยุติด้วยพระพุทธฎีกา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 ยะาอุปั ช, ชเตมะมะสยะเมวะปัจเจเวขิตวาเอกโกตังทะเมมหังรัชสิรชนีเยสุทุสนีเยสุทุสติมุยหะเสมุยหนีเยสุนิขมาสะวนาตวงวิสุทธานังอายังวาโสนิมมาลานังทัปปสินัง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 ดังนี้ขอถวายพระพร